ทานอุบาสกบัณกิตาทุกท่านเราท่านุู้กาทุกชนตลนนดอด ท, ท, ท, ทั้งบรรพชิตอาคลิหัสเถรลาหนึ่งเถระสุสุนาวากาคมันโนมหลาท่านผู้ใครทำตั้มมาปฏิบัติในวั น, น้นั่งวันนึ่ถือว่าเป็นสิริหนึ่งขวันงคนอีกวันหนึ่งเป็นตังเงินพระที่เดียรแน่ หยุดยืดจิตตินาฬิกาขั column, be, life, ้นคืนวันนี้ก็จะเปลี่ยนวาละเป็นหนึ่งขั้นมเดือนเจ็ดต่อไปเข้าไปสู่ชัยวะแห่งการเพ่งเสริมกับพุธศาสนาวิจาขคบูชาในการเรียนนั้นเดือนกรกฎาคมสองวันนี้เป็นวันคืบคืบพันธยาหารวันคืบมณพลถึงบารมีมรรคภูตประดับสมบูรเจ้า งันตรงงานแลกงานขวัญสลุเข้าไปภาวะเมื่อวันก่อนทรงได้ดำเนินงานเพื่อให้กำลังใจเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนทรงเสี่ยวข้าวเปิดลงเองอันนี้ถือว่าเป็นมุ่งขวัญ ม, มงคลอีกวันงเป็นวางพืชมงคล เราถึงตลอดปีมานี้ของปีมานีนะ้นั้นเราก็ได้ท 5. 5. ํารือมุ่งควนลงคลถวายเพระครูสอนของสมเด็จย่าสมเด็จถือนักลึงธราบรุญราชทรงมีตลอดทําบุญผู้ศรัทาไทยง่ายดีทําบุญเจดวันทาบุญห้าสิบวันทําบุญหลายวั น, ว น, วนให้ถวายเตลอดมาไม่ขาด แล้เลี้ยงคู่ตองขังให้เรือยงจามทั้ง7 5, 10, 5, 100, วัน50วัน100วันแล้วหวังที่จะเถื่อมกรลาก็เลี้ยงอีกเป็นวันทำบุญให้แต่พื้นแผ่นดินไทยโบกะตะันอู่ตเวทีเมื่อพระาราชาแห่งกรุงเทพฯเราจะทำของพนวนทุติยมกระลาบางคนมาเด็กจามมาจดเราทาบุญให้หมด ตลอดรายการตรวจธรรมจักมาครบปีกว่าแล้วจะเข้าก้าวหน้าพอจะหมดรายการทุกวันทุกเก้เามิเคยขาดสว้รค์ครบาบาบเพื่อนพระอาทิตยูครับที่พรบาทจึงเด็ก็ะอยู่หัวพระบรมมฤคย์ผ่านเจ้าเหลงสวรร่าอสมบัติมาครบห้าปีประพันธาเราทำให้ทุกวันทุกเ้า อย่างที่ท่านทั้งหลายมาเรื่อมการทมที่วัดอัมพวันนั้นตลอดมาก็เหลืออยู่เก้าเดียวแลกวสิเก้าหน 9, นะ้าวันที่เก้ามิถุนาร้องไปร้อยครงที่เก้าก็ครบห้าสุบ 50, พรรษาเต็มก็จะหมดรายารในสสวธรรมจักร จะถาวายพระตาหารจิ่สุส่งองค์เมรุสวดในเพลงสี่เมืองข้าวเจริญพระธรรมจักรจะถาวายพระตาหารจิตสุส่สงองค์เมรแล้วก็เลี้ยงผู้อยู่ในเรือนจำแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าจำไม่ได้ต่แปดรอยเทินเราจะเลี้ยงผู้เรือนจำหมดแจ้งความพัสดุเรือนจำผู้บัญชาการเรือนจำทราบแล้วประธานจับข้าวไป ทำที่จังหวัดพึงบุรีเลี้ยงกันเป็นการใหญ่เขาจะสร้างการทานอะไรก็จะเลี้ยงให้อย่างดีด้วยเป็นการฉลองการเจนาพิเศษอย่างดียิ่งก็ขอให้พี่น้องเราชาววิบาศกปทิจาพุทธศาสนิกฉลองยิ่งใหญ่ก็คือสร้างความดีในวันวิสาขเพื่อที่จะถึงในกลางเดือนโอกาสข้างหน้านั้นฉลองตัวเอง จะลองคามดูท่างอดีตที่เหนื่อยยากลำบากมาเหมือนเพราะบรมบพิตรตลอดทั้งานเจ้าเพราะลงสงเหนื่อยยากเพระาะเวลาายมากหลายยุ่งกับพวกเราหลายเท่าเราก็จะทําถวายเป็นพลากุ่นของท่านบ้างทําทามดูอีกหลายเท่าของคูณขึ้นมาเพื่อคูณบรีบูรในการเจนาภิเศกและเพิ่มคูณบริบูถวายเป็นพลากรุ่นกับดวงพระวิญญาณทั้งเด็กยาก ให้มากเพิ่มขึ้นแต่ทั้งที่ต้องเด็ดยากตรงพะระชลากาที่ถือพ็ะปัญหากวัญนครน้าที่ที่ฐพวกเราจะทําให้ยิ่งใหญ่สร้างความดียิ่งใหญ่อย่าไปสร้างความเชื่วยิ่งใหญ่เลยขอโปรดก็ะษาความดีละความเชื่วสร้างตัวให้ดีต่อไปเถิดกระเถิดพิเศษต้นตือการจะนาพิเศษ ไม่มีอตือได้แล้วเทาเขายิ่งใหญ่ในทีนี้ตือมือยิ่งใหญ่แต่มันใหญ่ในตีการแตณาพิเศษแต่เราจะ ย, ย, ย, ยะิ่งใหญ่หรือไม่ ย, ย, ย, ยิ่งใหญ่แล้วแต่ตัวท่านแต่บางหลายจะใหญ่หรือจะเล็กจะเด็ดหรือจะผู้ใหญ่จะน้อยเนื้อตามตาตาตามต้ยหรือถอยลหลังลงครองก็ตามใจควรจะเรื่อนลัดพัฒนาชีวิตแห่งากจันใจให้มากขึ้นเกิดแสงสว่างให้มากกว่าทุกตือที่ผ่ า, านมาในอายุของเรา ควรจะเป็นเช่นนั้นลงเหนือนความเหนือญาติพระวรกายกระทั่งทรงกระชวลโลกอันไทยลงประอาจารใส่ประสนิกกรราชดอทั้งหลายตอนนั้นพ่วงเ่วยเหลือประสงค์นิกกรพื่อราชญาตไทยเดินยานแห่งสยามเมืองยืนตลอดมาจนแบบนี้นะ่ะได้เราจะทําอะไรถวายท่านบ้างโปรดได้พึ่ตั้งแต่วันนี้ไปจนไป เลื่อนเศ้าเดียวเราก็จะจบรายการแล้วขวมาปีกว่าแล้วบาจะไปใระจายยทานสีล้านเศษแล้วจะถวายเป็นหลักทานสร้างความดีกับในาเหลืองภุณไทยพัฒนาทั้งถัดเราจะไปพัฒนาประเทศดชาติต่อไปความที่จะทราบทัดตอพระองคแลกทั้งหลายเ อ, อ๋ยบาเพื่อจะจยูยหัวท่านกล่าวว่า ติทองหลังพระดูกันหน้าพระไม่มีใครรู้แต่เราก็รู้เคลื่อนเปล่านจนกระเป๋ า, าเราดูอดดูกายที่ใหญ่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทําประโยชน์ต่อพระมหาตรสนาได้ถึงปานนี้เราก็รู้สึกดูกายของเราชื่นโหยขึ้นออกายจะเหนื่อยยากแขนจะนยากจะเป็นลมจะตายก็สู้ นจนงจ่าจะหมดลมหายใจถวายเป็นพระราชาภอเค์พระราชาเรียกรกรรมถวายเป็นบุพเพเ์สร้างความดีให้องค์พระราชาตลอดรายการทั้งปู่ย่าตายายบรรพบุรุษไทยเกิดเมื่อสันดาห์มาจนแบบนี้ก็ขอให้สร้างความดีตั้งให้มาที่สุดเท่าที่มากได้ไม่จ้อไปข้อแรงของล้อ เดี๋ยวนี้ขอแรงขอร้องก็ไม่เอาแนละ้วยาที่สุดเอาเลิกไปลา่าอาข้างไปชุดก็ม า, กมาสามารถจะมาข้างความดีได้คนไร่บุญวัฒนามากเหลือเกินแต่ทายข้างความดีในการจะมาพิเศษนี้ท่านจะดีทั้งลูกหลานลูกหลานท่านจะมีหน้ามีตามืมยศศักดิ์มืออัตถานเอาไว้เป็นพระราชเคราะห์พระพราชกุศล ต่อไาหวาเป็นพระเจพลีต่อองค์พระลาวะพระอันนี้ไม่มีใครคิดแต่มานคิดมานานแล้วทนะุกว้ดก็คำนี้เปล่าเราไม่ทราบเราไม่เข้าใจเราอย่าไปท้าบผงควอื่นเขาเลยว่าวัดไหนเขาทำนี้ไม่ทำํำทราบทั้งตัวเราเองติดทองหลังพระดีที่สุดอย่าไปติดทองหน้าพระเลยทําบุญเอาหน้าศรัทธาพุทธา สายหัวไปสายหัวมาตลอดรายการไม่ดีเลยจิดทองหลังพระดีที่สุดใครจะเห็นไม่เห็นถึงคนดีมีปัญญาหนีไปอยู่ในถ้ำก็ยังมีคนไปเห็นมีพระเอกคนหนึ่งโดยธยาพานอุทษาตาคนนั้นมีไอ้นั่นมือึมือเสียนยาเกลือดลายเก็นยนศิลปะจากกัน ปาคาร์ช่าได้พระลาชาจะประหารคือวิสุทธิมรดกเลยหนูจะอยู่ในทัพคนที่ดูมือปัญญานั้นจะวาดภาพไว้ในทัพที่เชื่อถือกันคนมือฝีมือเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ส้างแต่ถือมือที่ดูไอคอนขั่วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ส้างแต่ความขั่วโลทนาพยาผ่านกลาทูมองพระลาชาวะ โลค้อ ง, องมหามาดบุคคลนั้นมีวิชาความรู้ดีมากแล้วก็โหรก็เศษช่นแกล้งกล่าววาจาวา่าติดพระองค์ทรงพนิมิตาอยากจะเจอช่มเผือกเข้ามาในเมืองตามองพระยาชาทรงพระฤดินามิมุต เลยก็โหนกแตกเถื่อแท่งกล่าวว่าจะว่าจะมีคนกะลืบ้านกเมือเมืองอยู่ในเมืองนี้คนมีวิชามันจะมาแย่งราช บ, บัลลังก์เลยก็สั่งให้จับตัวประหารนุกฤษเนี่ยนุกอามาดาชาวบริพานมือโกคนหนึ่งไปเรียนวิทาที่อาจารย์ทิสาปามโมกแห่งเมืองปากศิลา กลับมาใหม่ๆมือลกชายันยุท ธ, ธ, ธีทีท่าเงเคลนออาวุธอุปกรณ์ทั้งศิละ ป, ปะอัตกรรมลวดลายท่งมากทั้งการบังและหายตัวเราก็ต้องไปเาลูกท้ายหลบหน้าลู่หนีหน้าไปเช่ไหราชาจะจับตัวประหารศิลุกไี่เหรอ น, นะคนเราเป็นอย่างนี้กันหนา เลยก็หลบหน้าหรือไปอยู่ไกลทิพย์หกโยกเข้าไปอยู่ในถ้ำเข้าไปอยู่ในถ้ำความือซื้อมือแล้วอยู่ที่ไหนมันแสดงซื้มือเลี้ยไปอยู่ในถ้ำคูหาคือย์กคูหาห่างจากพระนครที่ปกโยกเลยก็ไปเจริญสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ในถ้ำคูหา อย่างแบบเลื่อนชาลาวานเข้าท่าคูหากลายเป็นมนษุษย์โสภารจะท่าทคูหาก็กลายเป็นกุ้งผาให้เดรัฐานไม่มีพระสิไม่มีสมาธิที่มักจะเป็นเดรัจานคือโมห์เข้าท่าคูหากลายเป็นมนุษย์โสภาเทสะพยายาเจ้าแพทยุลผู้นู้กถาชายท่านี้ ก็ไปอยู่ในถ้ำเจริญสมาธิภาวนาเกิดพินิหารเกิดแสงทว่างึงิดจารึกในถ้ำไว้เลือดลายต่างๆฤทธิ์ศกพิสดารมีในถ้ำเดือรายท่าอะไรสหัสของตของต่เอง็นฤทธิ์ศึาไว้ทุกระดับคนงงงงมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็โผล่งงงงงมันก็เขียงงงงงความที่มือฝีมือจะแสดงสีมือตลอดเลยการ ถึงจะหลบหนีหน้นีหน้าไปอยู่ในถ้ำในเหวมันก็อดจะแสดงไม่ได้เกออรยาภาเนี่ยอิกขาว่าใครคนดูมืวิชาพระราชาจะประหารชีวิหมดถ้าจะดูมีมิว่าช่างเตือเข้าเมืองแต่แล้วกายยาภานก็ไปเสแช่งให้สิงบนโหรราชินา บ, บ, บ, บ, บอกว่า คงดูมือชามันจะมาแย่งเมืองจงกะลีบ้านกลีเมืองให้ขับไล่ลุกจับมาประหารชีวิตทหมดเสรจแฉงกล่าววาจาคนอันตาพานที่มาจะหาเรื่องเสรจแฉ่กล่าววาจาบิดเบือนความจริงบิดเบือนความความจริงของชีวิตและความยืนองคนอื่นเขาออกมาอย่างนี้ชัดเจนในเวลาตานต่อมา คนดูหนูชาหน้เป็นหมดแล้วหรือจะไอ้คนเมืองโมไอพวกเก่าใกล้ลุมอยู่ในเมืองนั้นในเมื่อเป็น่นี้แล้วก็เกิดกรบาดไอพยายามหารเกิดกรบาดจับไอ้มุกอมมาเจอเป็นบิดาของไอคาาชาจับพังคุกหาว่ากรบากระบ้านเมืองจับพังคุก ยกกตีอรนครลดปุ่งถิ่ชายพระมหากระสับก่อนหนีไปหนีไปทดคนดีก็กลับมากลับมาได้แต่ก็ไม่รู้จะปู้พระ น, นครได้ไงถ้าอัยศยาพายมันคลองเมืองแล้วจ้ององจ้ององเจ้าข่าเอ้ยใครคนดีมีวิชามากู้ภาลาไดา้จะให้ทรัพย์ถิ่นเ ง, งินทองจะให้ทองทะลุฟ้าหาักทะลุแฟน หาเจราครเต็มหนึ่งจางองจงงองเจ้าขาเยอะเป็นต้นก็ยังหาใครไม่ได้หาคนดีมือวิชามาได้เพราะหนีไปไให่มากถึงกันนั้นก็ยังอดมีคนไปเห็นไม่ได้ตาเ้าสองคนตายาอยู่ในใคยผลเมียพืชทำทำไรแต่งทำไรพืช ท, ทำกัญญาหาร ก็ไปพักลมพักแบบพับกฝนเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเห็นเลือดไหลเอ๊ะใครมันเขียนนย่างควรสีมือไปอยู่ที่ไหนดูที่นั่นคนดูไปอยู่ในถ้ำถ้ำกูดูตปเลยคนดูไปอยู่บ้านกระท่อมก็กลายเป็นประสาประทวังปัดกลายเป็นบ้านใหญ่บ้านโตคนพยายามกรพานไปอยู่บ้านใหญ่บ้านโตก็จะเลี้ยงกระท่อม อันนี้เรื่องจริงในในประหล า, ชาล ด, าดาชาติพระองค์ได้ขวัญปะชากน้ำเมืองตากกิลาตามัดดับมาอันนี้มาที่วยแก้เหยื่ฟังในวันนี้วันเปลี่ยนแปลงสภาวะเปลี่ยนแปลงปตามสภาพคนดูอยู่ไม่ได้ต่หนี้ก็อยู่ในท่านแต่ก็คนไม่ไปลูก ไ, ไปเห็นไม่ไดัถึงจะมีฝึกมือดูอย่างไรก็คนรู้จะได้ ตาเฒ่าแต่ยายแกก็ไปเห็นข่าวว่าเออใครดีมีวิลสามมักเสียนอัคคระเสียนหร่อปลายเสียนอามะทำถํำนั่งให้เป็นอย่างเทวสถานด้วยมานแดนสวรรค์อบคนรู้ไม่ได้เหรอไอคนเลยๆก็ อ, อ, อยู่ที่ไหนจับปลงต่อตอนไปคนดีไปไปเออนะเออก็อดรู้ไม่ได้ขึ้นหัวลงเขาทางนั้น แล้วมืเกื่อนคุ้นหัวลงเขาแล้วจะอยู่ที่ไหนได้่ะจะปลอมแปลงไปนอนแปลงยังไงก็ต้องมีคนเครือบแครงในสงสายตลาดรายการผลนหนอมันบอกบอกคนนี้ไม่ใช่พระเอกคนนี้ไม่ใช่นางเอกนาะงตลบละตลานนานประยสตระแหนคนนี้กระทาชายหรือไม่ไม่ใช่กระทาชายเลยขอฝากไว้ไปดเป็นทุกข์โดยทุกนาคในสุก็เจอครับ ไปเจอก็ามาบอกกับามาุกอมัดจองงองจอง ง, งองเจ้าข่าเอ้ยเขามีมีวิชาไปกู้ประภาราก็จะยกประครยกทองทถลุพัฒนาถลุแฟนกันโมก็ว่าปายพอได้ยินจองงองจองงองเจ้าข่าเอ้ยกระทชายนายนหนุ่มอยู่เป็นข้าเอกก็มือตาไปยึดมือตาไปยึด เธอเขาจะมาจับเอาไปประหารชีวิตก็ อ, อกไม่ได้พวกม่วมาราชวารีพานก็เข้าไปเห็นลวดลายแล้วก็สีมือในถ้ำคนดีมีปัญญายังอยู่ที่ในป่าด้วยก็เมือบจ๋าคาาชายนั่นเข้าไปอยู่ในถ้ำไปนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาก็าเกิดแสงสว่างเกิดวิตามั่นคงดำร ง, งกาย มีลูกาความนี้เพิ่มขึ้นอีกคือช่างเผือกช่างเผือกมันอยู่ในตาแห่งความสงบถ้าคนไหนมีจิตสงบตาลบถามคนนั้นเป็นช่างเผือกคือผู้มีปัญญาคนไหนจิตไม่สงบเป็นช่างเผือกไม่ได้ไม่อยู่ในตาตานี้แปลอยอดความสงบเลือกวาลุคมูลมีขจะมีความจริงใจและจริงจัง ต, ตอบตนเองและต่อบบุคคลอื่นด้วย คนไล่ความจริงจะเป็นทุกสิ่งใช่ไม่ได้จะเป็นหญิงก็ใช่ไม่ไดาเป็นชายก็ใช่ไม่ไดาไล่ความจริงขาดใจจะจาขาดเวลาอป็นประโยชน์ของชีวิของเขาไหนเลยแหละเขาจะเป็นประโยชน์กับตัวเองได้แล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์อันใดแล้วหรือผู้ ด, ดีมีปัญญาก็หนีตาอไปอีกไปก็คนดีมีปัญญาจะต้องทำแต่ประโยชน์มีกับผลงานไอ้คนทานชอบหาเรื่อง เขาคอบลุงเลี้ยงเขาก็พัฒนาตัวเองด้วยการเจริญสกรรมาฐานเป็นการพัฒนาตัวเองให้ลุงเลี้ยงวัฒนาปรภารพอรลูกเมกื่ออาหมาตคนี้ ก, ก, กมะะ็มือต่อไปอยูหนือต่อไปอยู่ให้ถ้ำนอลต่อไปใช่ปัแสดงะฝึกมือต่อไปอยูนั่งเจริญสมาธิถ้ำนั้นปเป็นานำทองเป็นถ้ำเพื่อเรีย เ, เจ้าทั้งหลายชิงนกระพุกก็ทําให้ ถ้ำนั้นกลายเป็นความเจริญไปสําหรับบุคคลที่ไปพบเหนก็จะไปศึกษาเล่าเรียนศิลปะอัจกรรมในถ้านั้นนี่แหลท่านสาทีชทนทั้งหลายคนลื้ออยู่ที่ไหนเจริญที่นั่นไอ้คนชั่วอยู่ที่ไหนเสือมที่นั่นเลวที่นั่นโครนที่นั่นตลอดเลยตามเรื่องจึงในชาดกลาลบถ้ำตามที่หลวพระเจ้าทรงกระแดกับพิชเกวีดุกนาสงผู้ทรงเสด็จ้ังหวรพระวูนาย ท่านมิเทนาวาการให้ประสงค์นี่ยคับว่าเนี่คนดูอยู่ที่ไหนที่นั่นเจริญที่นั่นไอ้คนคั่ว อ, อยู่ที่ไหนเสียงซ้อมที่นั่นเลยผลเอกายจ้ององจ้ององจาวาขึ้นคนดูมือปัญญาหลนแล้ไ ป, ปกู้พระพาลาเนีเลยจะดูเตนแป้งวนจับเราจจับข้าพระเจ้าไปไหนแต่เห็นว่า แต่น้ ม, นมามาได้คบอบลิภาแล้วงานก็ไปเจอบิดาของตนนน้อามาโดยโดนไอ้พยาพามันมั น, ม, นมันโกงหรือว่ามันคดเคี้ยวเลยก็ไปเจอเข้ามานี่แหละท่านสาวพิเศษแล้วก็กลับมาเข้า ใ, ใจว่าจะประหารชีวิตมากู้พระพาราดได้ เลยนที่สุดคท้าทายนี้มันจะเป็นเชื่อตัวหนพรงราคามหศากระชากชงกระชวนแล้วก็สิ้นประชนก่อนจะขึ้นประชอนก็บอกคาถาทายว่าลูกขมุกอมันไม่มีใครดีมีวิชาเท่ากับเจ้าเลยเราจะยกขึ้นบัตรให้ทั้งหมดเราก็จะขอลาโลกไปในะที่สุด ะะก็ยกสมบัติพัตฐานหแล้วก็พระราชามีพิดาอยู่พระองค์หนึ่งแล้วอไปอไปเสศให้แล้วนกอมาบลูกอมาบนั้นก็กลายเป็นองค์พระลาชาสืบเนี่ยมชั้นดานมาเป็นแบบนี้ในละท่านสาพิโทนทั้งหลายคนที่มือบุญวัฒ น, นานั่นต้อคนจเจริญปัญญาจเจริญสมาธิถึงจะมีปัญญาขนาดหนูไปอยู่ในดงในตายังมีคนไปเห็นได้ ไอ้คนชั่วเนี่ยมันลู้อธรมาร์คนหนึ่งว่าคนนี้มีวิชาเอามาเสนอเนี่ยอย่างโน้นมานอย่างนี้บักนีจะอดรู้จริงไม่ได้หรอกจะบอกให้ความจริงก็เป็นคนจริงแางท่ทังหลายเอ๋ยความดีเนี่ยจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็มีคนเห็นติดทองหลังพระดีกว่า ขนาดนี้ก็อยู่ในถ้ำอย่างแสดงซื้อหมีในถ้ำอีกคนมีไปอยู่ที่ไหนจะิญ่นลุ้งเรือจะเล่นยุติปัญนากรรมฐานจะิญ่นลุ้งเรืองแน่น้องผู้ชดในระฆังอุบาสกปฏิกรรอจะเล่นยุิปัญนาทําให้เรียงปัญญาเรืองลึกเดชเดลชาในภาพเลือกว่าบาลามีเรามานี่เรามาข้า ม, า, ามบาลามีนะโยมนะมันจะมาเที่ยวเล่นมันจะมาคุยกัน ไม่จะมากโกหกการไม่จะมาหลอกลวงไม่จะมาลวงกระเป๋ากันะะมาครองวันในล่วงกระเป๋ากัแล้วอีกคนหนึ่งปราบพระมัวจะ่ละหั่งชมาหลับหูหลับตามาเดีเ๋ดูกระเป๋าหลังกชมาด้วยพอพระกราคังคังนามามแล้วก็ลืมตาขึ้นมาพระพุทธเอากระเป๋ากัเลยตนบัดนี้ครับพุทธเอากระเป๋าพระพุทธจึงนั้นนะ่ะแต่ปรหลอด ถามวันอาทิ่ยุยกรรมฐานานะกนาานะแกประลานระวังเนีหลังขนะ้ามมาหลับหูหลับตาพี่ออก้กระเป๋าไปเลยนะหลระวังนะไม่รู้มันแปลงมายัางไงนะยโยมอบาสิกาทั้งหลายคนมีปัญญาไปอยู่ที่ไหนจเจริญที่ น, นั่นคนใดจะมีปัญญาได้หรือก็อาจจะกำหนดจิตให้หนูพระิีอย่างนี้ถึงอยากเกิดปัญญา นั้นน่มีอปัญญาแล้วก็จะมาดดอดร้ยายเสมอจ ะ, สะแสดงออกบอกให้ทราบหยากเขาไป็ูมีปัญญาไอ้คนโง่งก็สะดาออกบอกให้เขารู้ว่ายส่วนเง่งที่สุดคดในข้องอในกระดูกที่สุดไม่มีอหลุดออกมาอย่างแน่นอนมือคนดูมีปัญญาไปไหนก็จะมีแต่ผล ง, งานคนทานก็ชอบไปหาเรื่อง หลาลาวกันตลอดรายการคนข้อบยุ่งเรื่องต้องพัฒนาตัวเองการจเจริญกรรมาฐานเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการทําจิตให้มันคงดําเำรงคาบจะได้มีวิชาความรู้มีลูกมีห ล, ล, ลานจะได้เรียนเก่งเรืเ่องกตาวหน้าคือปัญญายายนหลับลืมไปกองการสังขารไม่ใคยนั่งมามานั่งไปไปสวามิภานเอาแค่ปัญญายาณคือรู้สึกที่ยานย า, ยานรู้สุทธิ ทำให้จิตใจใช้ส อ, อาดบริสุทธมันปุดผองมันทองคําธรรมชาติที่หลอกลวงนั่นคือตัวช้างเผือกประจําบ้านประจําเมืองประจําถิ่นประจํามฐานประจําบ้านของตอนเรียกกระช้างเผือกหรือ้างปัจจียน่าหรือ้างดุพยุทีของพระเลสวนช้างเผือกเช่นเดียกันเม่อมีปัญญาเป็นช้างก็มีปัญญาเป็นคนก็มีฤทธิ์เดชเดชชามมีบา ร, รมี ที่จะสร้างมานามคนที่สร้างบารมีนั้นจะมีแต่ความเพียรพอขยโยมทํากรรมฐานเนี่ยสร้างบารมีนะเดินตรงๆหยอกหยอกอย่าที่เดินน่ะมันตรงไปตรงมาตั้งสติให้ช้าที่สุดเดินเหมือนขโมงตั้งนางให้เหมือนขโมงง่ายสร้างบารมีเดินข้างสัจจาว่าเหมือนขโมงกลับไปเดินสามจุดนาทีนั่งสามจุดนี้ มองเดินหนึ่งชั่วงให้มัได้หนึ่งชั่วงถ้ายอมฟู่ได้เจริญกรรมฐานมาแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วตึ่งนล้วก็สร้างสัจจะเองเดินหนึ่งชั่โมงนั่งหนึ่งชั่มงเดินมงขึ้นนั่งชั่งขึ้นเดินสชั่วโมงนั่งสชั่วโมงนานสชั่วโมงกาหนดพังหนายยุหน่าไปจนกระทัหลับไปยางนี้เป็นการช้างบลมั โยมมาวัดเรื่องของการมาข้างบา ร, รมีจ้างให้มือวาชนะตะโกนไหนมีความเพียรคนนั้นมีบา ร, รมีคนไหนไล่ความเพียรไม่มีบา ร, รมีไล่ไนะล่วาชนาและไม่มีกตารยูรเตวิศกาธรรมต่อผู้มีบุญคุณเลยเพราะบาปท่านไปพึกตื่นความหมายนะปภาษาอะไรลูกมุกอา ม, มาตมีปัญญายาน มีวิชาการเลี้ยงจากจบมาจากเมืองตากศิลาอาจารย์ศิษยาบมกไปมือภิกษุอาหารในถ้ำสหาห่าพระโอรสพระราชาไอ้อัมมาอันตะพามถ้ามันไม่พามหาเรื่องให้แล้วนั้นทางกราท้ชายลูกมุกม า, มาคมไม่ไ ด, ดีพอเรียนจบวิชาการก็จะมารับชายองค์พระราชา เป็นคำเหมียนมีเป็นผู้ลับทายเท่านั้นเองนะแต่ดองต้องพ่อบิดาอา ม, มาตยต้องให้ลูกหนีเอาจัมญาคอนไปนี่หละบารมีละมานไม่มีบารมีไม่เกิดหนีไปอยู่ในถ้ำก็จเจริญสมาธิเลยก็สแสดงฝีมือออกเรียบลอยอย่างชัดเจนีม่อย่างนี้เข้าไปในถ้ำ ก็เหมือนเรามาหนีจากบ้านมานั่งสมาธิเข้าถ่าแบบนี้โยมจะได้พิภานแห่งบุญขอให้ทำจริงเหมือนอย่างอาชาชายคนนั้นแล้วก็กลับล้ายกลายดีสร้างความดีในทัพทําให้แถวท่านั้นมีราคาทําให้แถวนั้นมีกลุ่มเป็นเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองนอกยแยกมาครอบครองเมืองนายก็มีทั้งเมืองนอกเมืองนาย เลยที่จารึกอักษรไว้นั้นกลายเป็นประวัติศาสตร์กลายเป็นพิษพันธ์มาจนทุกวันนี้คือภูเขาคือกปตาเป็นพิษพันธ์หลายพันปีมาแล้วก็นับวันมาเป็นหมื่นๆปีมาจนแบบนี้เนะี่ยแหละคนดูที่ไหนเป็นประวัติศาสตร์ไอคกลังลายอยู่ที่ไหนไม่มีประวัติศาสตร์เลยไม่มีใครบันทึกเป็นหลักฐาน ไอ้ทีเขามันพึกประวัติศาสตร์ะมันมีหลักฐาน ม, มันมีความดูติดเชื่อไขมาจนหลายหมื่นปีจนแบบนี้เนี่ยเมืองเปรกเหมืองปลีเลเสงก๊อดก็จะทำไหวท้าถกวัตถุเวลามากมายก่กองนี่แหละท่านผู้มานั่งกับมาฐ า, านเดินจงกรมจากบารมีตอนเดินไม่ไหวต้องไหวตายให้มันตายนั่งโหนปวดนอปว ด, ดนอ หายใจเข้าออกองหนอยุดหนอทนไปใมันได้กลัวยืนหนอห้าครั้งให้มันได้กําหนดยืนหนอห้าครั้งครึ่งสิบห้านาทีใช่ั้มเอาแค่ห้าครั้งแต่ไม่พอสิบ้านาทีหรอกบางคนยืนเอาสิบ้านาทีเลยยืนหนอยืนตายข้ากัมันหนอกลับดีไปได้เดาหลวงพ่อคะหนูยืนสิบ้านาที 5, นะท พอเช็คจริงเราไม่ได้บอกให้ยืน15นาทีแล้วบอกยืน5ครั้งเขาทา ม, มากไปสายยืนไปได้เนี่ยก็ยืนมายืนดียืนน้อยไม่ดีเอา ก, กลับดืนไปได้บอกหนูทํำ15นาทีเดี๋ย ว, วมืดคล่องแพล่หมดแล้วพอรู้ว่าหลวงพ่อบอกให้ยืนอน๋อ5ครั้งเลยหนูมาเรื่องเล็กไปเลยเลื่องย้อยไปเลยนั่นมืดตัว ตำรวจให้ดาช้างบรมีเวชนามันปวดหมาตายให้มันตายตายมาตายโยรู้กดแห่งกรรมโนจะทำกรรมอะไรไว้มัน้าก็โดนออกมาบางคนก็เพ่นเลยบางคนโอ้ปวดจะตายแล้วเบาหน่อยอย่าทุกข์ฉันเลยเบาหน่อยอย่าทุกข์ฉันเลยเบาหน่อยอย่าทุกข์ฉันเลยเขามาดูที่ถามมามาไะบดไปทุบหมาหมามันก็ล้มลุกทุกอาง หมามันเลาะอยู่พุ่งยาวทำไมพุ่งครบนาเสียใจด้วยไปซื้อหมูมาเพิ่มกิโลหมอกอยู่มาอยู่บบันไดไอ้คือนันี่มันหิวมันก็เอาหมูไปซื้อค่ะเดยวก็ไม่ซึ้อเงสานทีนกก็ะไปซื้อใหม่ก็ได้รอซาตบองมาแล้วเอาเชือกผูกคอมันตีเอาตีเอาตีเอาตีเอามันก็ ห้งให้ช่วยมนูาจะท่ออาน า, น, นาทุกชนที่ลาทางานประมาณคอขนุนะม่ไครหมอที่กระทำดีต่อเจ้าของแม่กินหมาตูทั้งสายเลตูทั้งสายต่ยอหน้ากามาเคยตักบกจ้าของเลยนะแต่คนนี่ระวังนะไปตูนมเข้าไปเต๋อมาเ ข, ข้ามันก็รับคอนะ ข้าสุนทะรขอประทานโทษข้ามันไม่เห็นบ้าเมาเป็นเจ้าของเรื่องมามาทุกวันไปดูมันอย่างไงมันก็มกากราบเจ้าของมันร้องตลอดเลยการถ้ามาก็ไปพอดีนะโยมขอบิบาททําบาตเพื่อขอบิบาททําบาตเพื่ออย่าไปตีมันมันเลื่อนอะไรมันเอาหมูมาคืนมาล่าถ้มาเดือวก็ให้เดืกขวงขับรถไปซื้อมันสองกิโลเล ย, เลยไม่หยอกไปดหมาถ้าตายลย กระทั่งตายแล้วมันก็ดกหางดูแล้ว no. in นะ้ลายปากมันยืดยืตายมันหมดลนทั้งปาวะหางยังกระดุกปั๊บปั๊บขระโดว่าจงรักภัดีต่อเจ้าของที่สุดกระทั่งตายนู่นอะแล้วโยนพยัคฆ์กระมันนั่งปวดเอ้ปวดจางปวดจางตายแล้วตายแล้วร้อนอย่างเนี้ยตายแล้วตายแล้วปวดจางปวดจางตายแล้ว อตายมัาตายําหนดตายเรากำหนดไปกําหนดไปกำหนดตา ย, ตง เ, งยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีดึกมาแล้วรัาบตีหมาตายเป็นความจึงิงชุบราคาในละฆางบารมีใช้โยนใช้กรรมใช่ไหมบางคนก็มานั่งเกิดขึ้นกินบางคนก็มัดจึงบางบางคนก็นันมันสากมาเยอะแยะหมดมาจังนือนะเราทําเขาไว้ใช้มือเข้าไปมา ใช้มือบะอายุกราบเนื้อมันก็มายื้อนั่นการแต่มันก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งโยงเนื้อสงสานมันไม่มือไม่มีล่ามีนากระเทยมันก็เอาหารที่เราก็แบมันนั่งกระแดอย่าไปทุกข์มันเลยถามายด้อไม่ตอบโยงลาบโอ้หลวงพ่อฉันไม่ได้ฆามันแล้วมันทําฉันประปดทุกคัน โดยพอดูไปตอบก็เจยิงเข้าวามึงเนี่ยมาโดนโจตนาจะฆ่ายิงเลยมันคันโดยเพินคันหลังเนี่ยตายิงเนี่ยก็ไปโดยิงม่ได้เจย์ตนาถึงเมื่อากแล้วม่โดนเจย์ตนาทำมันคันอยู่ว่าคันอยู่ก็ทั้งด้ตั้งตายันียดูสเพียงยักษ์กายยังไงอาเราไม่ตอบล่ะฉันไม่โดนตอบทำให้เนื้อมันชามันก็ได้หายคัน ผมว น, นคุยกับเขาพูดกันนะจึงทค่านสมาธิภาบถ้ายอมทำได้อย่างมีความเห็นกันแนสมาแล้วนะทางหนา้นายดหน้าทางหน้ายดหน้าหลบหน้ามานั่งทำหน้าย่าหมอนอยู่ข้างๆนะากูนอนก่อนน้าต่อได้ไมงี้ยังไม่ชม่หรอเขาห้ามไปนั่งคุยนอน ห้ามฆ่าเรามันไม่มีห้ามอะไรหรอกแลวนะามทางหนายึดหนามันยืดกลับเห็นหนาหนอมอยู่ตรงนี้นาะแล้วก็หนาหนาะแล้วก็ม่ทําทเขาก็ตีตตตตตละคันเกงนเกินเกิเกิเกินเลกมาเลกมาหนาหนาหนาหนาคุณแม่ันจ๋าท่านกาลังทากรรมฐานงี้ก็ออกมาก็ได้ ถูกต้องถูกต้องญาวเนี่ยอดทนดีทุกคนสมาเห็นหนออดทนดีมากท่านนั่งเขาน่ะปวดจังเนอ่ยปวดทับหลุดยาขอโทเขอโทษล้อล้แล้อนันไม่หลุดล้อขอพระเจริญพรอดทนทำให้มันได้ผลบาลามยูบาลมยูสร้างอุทนุญลาสี ขาดบารมีก็ไม่มีความเพียรลักษณะจะไม่ตรวจเสียกระจะกระส่องคลั่งทำอะไรไม่สมเหตุตายให้มันตายตาให้มันรู้ว่าตายถ้าตาทีแล้วดาวนี้มนาะจับมือโขนให้ถามเฉดถ้าไม่ต้องการมือโขนก็ไปหามือห้อหลัมมาก็ได้เอาไงเนี่มีพูดมีเรียนจริงนะให้มันตายให้มันรู้ไปที รวมตัวตายไ้มเนี่ยตัวตายไหมาครเตีตายมันยกดูนะตาธุไม่ตายแน่ถ้าตัวตายตายละนู้นนะรับตัว อ, อยาตัวตายรับแรงได้สำหรับความหมายข้งชื่อพระมาฐานแปลว่าอะไรแปลว่าการงานแล้วน่าที่ควรจะรับผิดชอบชีวิต ทางเดินของสาชีวิตคือกรรมาฐานกรรมาฐานแปลว่าอะไรขอฐานไม่จะยท้อถึงอ่องตาจะให้จิดเข้าถู่ตัวหนึ่งหมายฐานนะดีจะได้มีปัญญาเรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐานแปลว่าอะไรแปลว่าตําราคนต้องคิดเข้ชีวิตเป็นมนุษย์ที่ทางบวชคู่กรรมวาจา ย, ยสุขาวบทามว่ามนุษย์สิอามะตพันธ์เต ท่านเป็นมนุษย์อันนี้การบวชเนี่ยท่านก็เลือกขึ้นมาไปแล้วท่านสอบท่านสวนท่านทวนถามมากถามอันตรายยุทธธรรมภายนอกเพื่อประทานสอบซ้อมให้มันแน่ใจอย่อาโกหกสงฆ์ถึงก็มาถามอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมสงฆ์คู่ฟ้องแล้วอันนี้อาจารย์บวชให้ถึงได้ชี้แจงแสดงสอนหลายขั้นหลายฐานะหลายเหตุหลายผล แต่ผู้บวชในประสาทขนานนั้นการบวชจึงมีประโยชน์มากที่การบวชถาวายตรงแผลตุ่มขนนี้ขอให้บวชจึงบวชให้ถึงใจด้าลัทนกนาตา ย, ยุทธเหว่าทางใจท่านเราบุญด้วยถ้าเราใจเป็นผู้ถาวถายแผออกตุ่มขพแอ่จนจิตใจล้วก่อนถ้าจิตใจเราดีมีปัญญาบวงพระวิญญาณของพระองค์จะต้องได้ผลพระองค์ในสูงสุดในโลกกวาไดา้ แต่เราจิตใจยังไม่ถึงขัง้นยังไม่ถึงตอนยังไม่ถึงตอนดีเนี่ยเราจะเอาอะไรไปทาวายท่านมีความหมายนี่โคมากันงเยอะหมดบวชให้จะทุนเด็กยากจะพาพระทำมังกรจะไปว่าทระชินลักษณ์จะไปว่าย ว, ว, วันนี้เหลือวก็ลาผิดขาบทแล้วท่านจะได้อะไรท่านจะไม่ได้อะไรเลยนะบวชทำมัง ก, กเรเสร็จแล้วก็ไปไมนะ่ด่ั้น ตะตูทองวัดพนนงจากถือไปวัดบางแ้มรืจะไปหลวงพ่อเทพรเราจะถวายเป็นพลาทุกูชนถวายเป็นพระจะือตอง์พระาาลามหาประดับต่างทะเนต่างประกันเราเพื่ออย่างนั้นจะได้ไรหรไม่น่าหรายหรืบวชไปอย่างเง้ยบวชในนี้บวชถวายบบกุทธรน้เดือดยาก บวชแพ้ประพากัรบุญาบาทเข้าสาอาหารแห้งเขง้าไปอีกหน้าที่มายน่าจะอยู่ให้สร้างบุญกุศลให้จุดใจมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร้อมถึงจะถูกตอ้องตามทำนองค์ลองของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นท่านจะไม่ได้บุญเลยองมผ้าห่ผ้าตาสาวพัก มันจะบอกให้ให้ตาจาก่อนปัญจกะอมตฐานกรรมาฐานห้ามี้สติปัญญาลูเป็นมนุษย์คิดเรื่องมนุษย์ได้จะเป็นคนสมบูรณ์แบบคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นะห่มผ้าตาสาวพัดดาศมาช่ห่มก็ได้งาอุปชาก็ไม่รู้เหมือนกันผมเองกว่าจะรู้ว่าตาจากัปัญจตากรรมาฐานใช้เวลาทั้งสิบปีไง เหตไปีไม่ใช่ว่าเตเยช้าคือพ้นโลมาคือขนนักขาคือเล็บันตาคือฟันแต่โตคือหนังของต่างหาอย่างนี้โดยถูโดยสารโดยการของมันพิจารณาแต่ละอย่างไปอย่างนี้มันวิชาการใครก็อ่านออกต้ำหนังหือมาดูขึ้นก็ได้แต่วิธีปฏิบัตินี่มันไม่มีตัวหนังสือให้ดูต้องทาให้มันเกิดตัวหนังสือทําให้เกิดขุดในดวงใจใสละอาจ จนจะบริสุทธิ์มีดแหะกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าลับผิดชอบในหน้าที่การงานกรรมฐานแปลว่าฐานะดีทาให้ลูกมีสติปัญญาทำให้ครอบครัวมีความสุดความเจริญถ้าอยู่ดีกินดีมั่งมีที่สุดแต่ก็เอาความสุขที่เราได้จากการบวชเจริญกะกรรมฐานเอาไปถวายเป็นแผดพุขนดั ไม่มีดูในจิตใจแล้วจิตใ จ, ใจ ก, ก็ควายแกว่งหล่ะเหล้หมรอแหละเลี้ยวไหลไม่เอาปเอาเนื้อทางใต้ล้วจะถวายตรงไหนเน่าตงความดูที่ถวายกับเดิมพระบวงกางขุนพระองค์ขัดผ่านผูกปฏิบาตรทำทั้ทงหลายทั้งเจาตรงไหนอ่ะลองคิดกันดูทีลองคิดคดูที่ใชาวบัวก็ได้ง่ายกองขละเวลากองเ ข, ขียขละนาพีหลักจะตามมาบวชตั้งใจจริงๆเถอะ บวชด้วยศรัทธาบวชด้วยความขึ้นอมั่นบวชด้วยเหวี่ยบวชให้มันจลืนบวชให้ถึงายได้รัตตนะตายุศงเหวทางใจของข้านี่คือกรรมฐานไม่เช่บวชก็อยู่ตัวเฉลิมอยู่โทรมามาวานบวชแล้วจะเอาพระมาที่นี่บอกไม่ได้รับแล้วนะไม่รับบวชแล้วก็เที่ยวออกตะลาบนั่งร้านกาแฟมีบวชถวายถ่ายสุข phẩm ใครได้ จะไปชทวยเดิ่ก็ะล่ามตามไปเลยบาปบุญอะไรแต่จะบอกว่าบุญเกืออลายบุญเกลือปัจจัยมาทําบุญไม่ใช่บุญแปลว่าความสุขความสุขเกิดจากอะไรเกิดจากธรรม ะ, ะใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์นั่นคือกรรมฐานถ้าใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ถ้าจะมีความสุขได้ไหมนับถือทั้งตื่ประหลังสุกขังสุ ข, ข อ, สอื่นยิ่งกับความสงบไม่มีเลย ถ้าท่านมาอยูด่ด้วยความสมอบแล้วท่านจะเอาความสุขที่ไหนแล้วไปถวายเป็นขลาราชกุศลคงจะไม่ได้มันจะเสียผลงนา น, ง ท, านางทั้งทางขอฝากท่านทั้งหลายไวย้เถ mm ิด hmm. บางแห่งเนี่ยเขาเล่ า, ลามาโทรมาวันพุธบวชกวันมีหมอทําขวัญหาหมอมาเถอะด้วยดูจะเป็นพิณปอนมาล้อส่งกันใหญ่เลยโฮกัน ใ, ใหญ่กิงเล่าเมายากันหรือถวายเป็นขลาราชกุศล แล้วฝาขัาน้นาพูปฏิบัติธรรมมาเดือดที่นี้ไม่มีทีนี้มาเนี่ยวันนี้คนเป็นพันเราเสีอธรรมจารย์ถวายในหลวงมาปีกว่าแล้วการจะมาพิเสธเนี่ยเฉยตั้งทันไว้ยอย่างนี้ตลอดลอมาวันที่สุดแปลกระดากระดาสมเด็จย่าสวรคตรตั้งในโบสถ์ตั้งทศฐานคือพระราชนิสร้างความดีเขายายทุกวัน อาตาทำบุญเก็บวันห้าสิบวันร้อยวนเลี้ยงคนในคุกหมดเอาคนในคุกในเรือนจำเขาทำนึกได้วังนี้วันยา่าเขาตื้นอินน้ำทั้ดาลเพร า, ายาเขาก็ทำนึกบางคนตื้นเบี้ยวล้อห่าเดี้ยนี่เรือนจำทิงบุรีนรนรน่นึกบ่แมมวันนี้อินมากกินแอปเปิลกินขนมนมนายม า, มากมายอตาตมาเลี้ยงเนื้อเขาฝากคนทั้งหลายไว้ด้วยเนี่ยเขาสายข้างหลังน่นเนี่ ข, ข้าขาไม่หลวงข้าขาใม่หลวงอันมาถวายถึงร้อยก้าสิประขารท่านบอกว่าไมเลี่ยงคนมน้าท่านอย่าเป็นห่วงยาที่วัดนี้เพียงแต่ตั้งใจจะถาวายสมทุิใครพัฒนาท่านท่านก็อาทุมใครพัฒนามาถาวายแล้วควานี้แหละท่านทั้งหลายผู้ปฏิบททัติธรรมทุกทุกเพราะตั้งใจและท่านได้บุญแน่เมื่อตั้งใจจะถาวายท่านพลัประทานฉันประทานที่วันนี้เก้าครั้งและน้ําปลาเอ้ย เอาสามเอวยกปิยพันธ์เอยทุกอย่างตลอโรายการท่านกล่าวกับคนคณะกระทรวงว่าวยังแต่วันเรียบผลเยอะ น, น, องงลลนอี่ทํานั่งสมาธิ่จะรู้น้ําจะท่วมจุงไหนอะไรจุงไหนกระทั่งสืบพันพระองค์สรงไต่วนโดยโลกหัไทยขณะอุทกอวาลีข้ามความดีน้ำท่วมหนาไม้ไฟองสามปีได้แก่ข้าสารหมดไปสามลก็ะอบ อ๋เรียมถวายยิงหายิงดายิงห่วงอดหอดไม่มาเราไม่ห่วงเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆร้ยอยู่ที่ไหนน้ำใจผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายทำที่จิตที่กายจิตอยู่ตรงไหนมันจะเหงื่อใจนะอย่ากถอนกันถุดนะจิตอยู่เพื่อธรรมชาติทังชีวิตทางอาวุธธาตุอุณหีนทั้งเกลือกับจิตที่เหงื่อใจน่ะเป็นอวัยวะถูกที่กระสือไปเลี้ยงร้างกายเท่านั้น ขาดจิตเือใจเป็นจิตกลับเปลีย่ยนมใจก็กลายเป็นคนานต์ไปมีแรงเหตุผลนเครื่องกรรมฐานไม่ใช่มานั่งหลับปุ้หลับตาแล้วก็ได้บุญได้ผูกขอมต้อ ง, ต, งตั้งใจหนึ่งทำโดยความตั้งใจสองทำโด้วยความเคารพสามทำโดยจิตสงบสี่ทำโด้วยความถูกต้องห้าทำโดยความถูกต้องยังไม่พอต้องตั้งใจทำและลงมือทอําโดยนี้ ว่าพลิตาวันประกันพุ่งเพระเวลาเนี่ยมันลรวดเร็วรวดเกินมีหมดตั้ง่งวันแล้วท่านทั้งหลายเอ๋ยภา่ารเจริงกุศนภาวนาชีวิตขจมีค่าเวลาท่านจะมีประโยชน์นะเนี่ยเอาเวลาที่มีประโยชน์น่ะเป็นถวายเตมขลใจกุศลไม่ใช่ไปเที่ยวทามาสังกจนะนี่เขาจะมาทํามาสังกจการบวชถวายขึ้นบุญยะมาทำมาสัง ก, กาาาจาก แล้ไม่ต้องทําอะไรกเลยนะไม่ต้องเือดมนว่าห้พระไม่ต้องอุทิศกุศลกรรมาฐานก็ไม่ทําเนี่ยบางวัดในสิงบุรีนี่เองบวชได้แย่ก็ไปอยู่วัดกะสององค์สามองค์จะไปโดนวัดกินเยอะก็นอนนอนแล้วก็คืนได้บุญมากจริงๆไม่ได้ทาอะไรเลยนะขอเรียนถวายด้วยใจจริงที่วัดเราเนี่ยมีแต่เข้ามานั่งกรร ม, มาฐานมุสลินอิสลามคื้มากมายแบบพุดแบบพรามเยอะขอบุญช่วย เพาวไม่เคชื่อตัวเองกามจเจริญกรรมฐานต้องการจะเคชื่อตัวเองหนึ่งสองต้องตามจะพึ่งตัวเองให้ได้สามต้องการขอรตัวเองต้องเอาสติจูดจุดให้มันแน่นอย่าให้จิตละเลี้ยงลอยแหละนี้หลายขึ้นเหิวยงเขามันไม่ได้ประโยชน์ผลดีผลกับประการใดเพรกราบเรียนถวายดุจใจจึงอย่างนี้ไ ม, ม่เคยบ่นก็สนุก บวต้องเอาบุญจริงๆเอาบุญขว า, ายดวงทะเบียนยาถ้าทารภาบอย่ายาไม่มีถือทำาจปลื้มใจเลอะเกินโ อ, อ๊ตตำรวจขายเบอทีู่้ทะลักมากอันนี้ไม่ต้องกล่าวทำมาคราบดีกันไปะเะลดนับทั้งคายเดิมขายเขาเขาแมวทั้งบอยตุงผู้กลางถึงจะเท่าลและแต่ฉากับฉลาภาพถึงกล่าสุดเสร็จแล้วก็สามยังต้องเฉลด ตลอดประการพวงตำรวจตะเวนชายแดนมากรักเงยอดจิตใจทั้งพังเลยแต่ตอนท่นานเจ้าขวัญนคตรตัตมาข้าแบบคนในวังเล่าฟังทำปากความนี้ไว้ก่อนสมบวรณประเทศให้ครัวบ้านน้องงานสารต่อให้ท่านอ น, นุเขาเล่าให้ต่างคุณเทศในศสาสตร์ให้นมบูรประเทศทําต่อสารต่อจากขุนวดยาต่อไปเพิดอ น, นุรับฟังมา แ่เราเนี่ยทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติให้มันจริงทุกข์ขืนก็ได้ผลทำมาลายทุกอย่างเนี่ยขอเรือนถวายตั้งใจทำหรือเปล่าตั้งใจได้ผลทุกอย่างตั้งทางโลกตั้งธรรมไม่ใช่ทำโดยเฉยไม่ได้หรือมรมไม่ดึงมีศรัทธาต่อพระธรรมใดถือข้าบวชเพื่อพระเกียรในหลวงห้าปีาปัญจาก็ตามบวชเปนถวายเป็นแรกกุดสอนดวงพระวิญญาณคุสมุดยาหอตาม ผมเพี้ยนบัวก็บวชมากลงชื่อไปบ้างแล้วบวชมากมาโดนบวชมากก็มีไม่เดือดขาดคาว่าเขาจะบวชกันก็จะบวชเป็นประเพณีแค่น้อยไม่เคยบวชก็บวกรายอย่างนี้ก็มีมากในประเทศไทยเท่า ท, ที่คบคุณมาบ้า้ยังนี้เป็นต้องความตั้งใจจริงๆนะทําด้วยความตั้งใจก็คือขัดคาหมายมั่นปันมือให้ถูกต้อง ถ้าเราทําอะไรไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยลังไปคิดดูจะได้ผล ม, มั้งไหมการทำโดยตามความตั้งใจจริงและศรัทธาไม่มีเยมมเลยไม่เมื่อยไม่น่าแต่ประการใดเพื่อความตั้งใจมันตรงตร ง, ตรงที่หมายด้วยขัจังเลยเอามาตะวจาผู้ก็ต้องทําพูดยาวคาพูดไปทึงไม่ว่าถ้าพูดแล้วำคำพูดไปทึงกันจะเสียจะจะคนเสีอจะจะเนี่ยตรงกฎแห่งกรรมนะทําอะไรไม่ขึ้น เหมือนพ่อคาแม่คาเพียฉับจะครั้งครั้สอครั้งจะขายของไม่ดีจเจ้าดีไม่ได้ขายของได้ดีเงินทองเก็บไม่อยู่ก็เสียฉับจะคาฉัตวะวาจระคือเด็กกลา่าวไปแล้วนั้นทุกประการมีพระมาทานกรรมฐานเนี่ยขอให้ตัง้งใจทุกอกตัง้งใจจะทำด้วยความเคลรพ ทำโดยจิตสงบทำโดยความถูกต้องโดยทําดยโยนวิโสมานาสิการใช่ยโยนวิโสมใช่ปัญญาตรงอง่มกรและก็อย่าเนยงานลาดรองท่านจะไม่เดือดร้อนเดือดนี้ร้อนใจจะไม่กลับไปนอนเนอยู่ร้อนนอนผู้กขอีกต่อไปครับเพลนะเคารพอะไรหรือทําด้วยความเคารพเคารพตัวเองพูดแล้วต้องคําอย่าเอาคําพูดไปพึ้งมันจะเสียสาถือมันจะไม่มีเครดิต มันจะไม่มีคนนับนาถือตาพูดขึ้นพูดล้องพูดแล้วต้องถือขจจะพูดจึงต้องทําให้มันจริงรู้ขึ่งสมาทานแล้วเคารพอะไรอีกเคารพกระฐานที่เคารพอุโบสถเคารพเถื่อมาเคารพวัดบารามเคารพบ้านเขาทีไปบ้านเขาจะเป็นลูกอํานาจบ้านเขาหนาสามเคารพกฎหมายเคารพปฏิการที่นัดหมายไว้ต้อเคารพรับรองท่านโดยผลแน่ นี่เรียกว่าทาด้วยความเคารพอย่างแท้จริงเราไปเตืียมปรือพลังเทก็ต้องไปเคารพกฎหมายกติกาทั้งพลังเคเขาวทังห้ามอย่างไรอย่าฝ่าฝืนแต่ประตามได้ได้ผลแน่แทําด้วยถิกสงบถ้าถิกท่านสมบไม่ตึงนคลางไม่วุ่นวายแล้วท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขมีแต่ปัญญามันจะออกมาด้วยความถูกต้อง ไม่เหม็นใจจิตใจท่านจะมีปัญญาจะค้นอ่านเขียนเรื่องอีกทางจะมี้บุตรคดาจะเรื่องเพ่งเรื่องเกาวหน้าเป็นกฎแห่งตนนะที่นี่ได้จาลาวไว้เยอะคนมากันเป็นล้อเป็นพันเนี่ยมามาสาวกองก็เป็นครูอตมอาเกิดผมเองแต่ก็ผมไปลูกคิษห์ดูหน้าดูตาเลียนเอาไว้หน้าตาเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะไรไหมหน้าตาแบบนี้สวยอย่างนี้มันจะหน้าเปลืแค่ไหนมันจะไปแค่ไหนอย่างไร นี่ก็คือกรรมฐานกรรมฐานอาจารยจะมาอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ไดาใช้ตัวให้เต้มแล้วได้เห็นตัวตายจะได้ขาวที่ถือจะได้ยังมีชอบจะได้ประกอบคู่ครรลอนไา้ผลออกาเป็ น, านาหลักฐานสาคัญตรงนี้สาคัญนะมีว่าที่พูดไว้สองวันนี้แล้วว่าอ่านหนังสือใครก็อ่านออกแต่ตามกรจมาถานไม่ต้องมีตัวหนังสืออ่านให้มันออกให้มันขึดขึ้นมาในดวงใจว่าอะไรเป็นอะไร ดีหรยทั่วประการใดทุกคนรู้ทั้งนั้นทางทั้งหลายเอ๋ยที่ท่านมานี่ท่านก็รู้ว่าอันนี้มันดีนีมาดีนี่ทั่วอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ดีรู้โดยการทุกคนแตอดอกรู้แต่การทางนั้นมีความรู้แต่ตามบอกกระถือว่มีความรู้สู่งานนะฐานะทีจะดีท่านจะมีปัญญาจะเหมือนกันนะคนเราเนี่ยต่างก็โดยถานะต่างก็โยปัญญาต่างก็ด้วยเหตุผล ถ้าผูคนเนี่ยรวยเหมือนกันนะดูสมองดูสมองไม่ดูเหมือนกันไหมความหมายความมาสมองดูกับสมองไม่ดูไม่ใช่ไมีอยู่ที่สมองมันอยู่ที่ความเพียรอยู่ด้วยความตั้งใจอยายามวุ่ิเย้ยนะทุกข์มาเจอคือบุคคลื่องทุกประการเพราความเพียรอันนั้นถ้าไล่ความเพียรขาดเหตุผลท่านก็ไม่ได้คูอสอนเทศนามาแด่ประโยชน์ในจิตใจของท่านแต่ประตารใด ก็อ่านนิทานทางประเวณีทางปฐมนานิทานถุกตะกระต่ายกระต่ามันแข็งตันตัวเต่าไม่ได้เลยตูเต่าไม่ได้เต่าขาข้างกว่ามันพยายามพยายามเดินทุกมันขาแข้งก็เดินไอกระต่ายประมาทขามันยาวมันก้าวเดียวก็ธรมะเต่ามันมัวต้อานอนนะประมาทใช้หรู้ไม่ประกาศได้ กระตายรู้คุณมาตายเต่าก็ถึงคงไทยแล้วกระโดดสามเพื่แพร่เต่านี่แบบเป็นหลักสาคัญล้วผมเองมาไปบวชมขอปราบเลี้ยงขยายเลี้ยงแปดเราให้พระฟังเรื่องเลี้ยงแปดหนอมันแห้งเราไปหาใู้โคงมาทุบให้แตกุินสร้างบาปเป็นดกยังไม่ลุกแม่เลี้ยงเด็กุำพันธญเราก็ได้เหอโคงมาตัวนึ่งเขวน้ยงเถอ คือเราวันเดินไปเถื่นเวลาเราโยนหัวโขงขึ้นตาหนัามานเกิดแท้งเดก็ผมมันตกมากไม้แต่เราก็ย้ายขอบเปิดไปหนึ่งกิโลกว่าย้ายเปิดลงหนังใหม่เ ไ, ไปหาหัวโขงเจอหัวโขงตัวนั้นอึหัวโขงมาได้ยังไงต้องกิโลไปถามลุงครับม่มายาวพ่อม า, ai, ามายาวที่วัตนี้ ลุงเออมาได้ยังไงเออหลานมันมาตามผลแต่ผลตกมันก็เดินมามันเอาอะไรเดินเนอะลุงมันอาปากเดินหลานโอ้โหได้ธรรมะตั้งแต่ต้นบทโอ้คือโถอนิจจันทุกขงังอนันตาไอเราขายาวสะเทะไม่รู้จักเดินไอเหัวเนื่อมันเอาปากเดินเดินมานต้องเป็นกิโลกว่าจะถึงหนองใหญ่เรียกว่าหนังหมอกแด วันฟันทัดมาไปโบสถ์แม่น เ, นเคลียร์มาของยังนีนตอนต้นนึกได้เลยเออไอเหยอเาปากเดินได้ไอเ่าขาขั้นมันก็เดินชมะกระต่ายแต่เรามีขายาวทอแท้มาลุกจากไปเดินต้องอายห่อเนี่ยนึกหมายถึงก็สมเมินบุปรเหลเทียบว่าเราได้ธรรมะจะไปเดินพยายามก้าวต่อไปเดินทางไปยังเรือนที่เด็กกิโลห่อข้าวไปกิน วบลนู้เบลรุ่นใหม่ลูกท่านทั้งหลายต้อเอารถเด้นไปส่งโรงเรียนใช่ไหมรับส่งมาทั้งมหาวิทยุเลยแต่เราคี้ยึดต้องเลีแคมัวท่านทั้งหลายเอ๋อข้ามความดีเนี่ยต้องลงถึงความลำบากนะถ้าท่านลงถึงความลำบากสบายว่ท่านกําลังเป็นคนขั้วโดยไม่รู้ตัวข้าความขั่วนี่ยชอบทิ่มสบายชอบนอนขบายไม่เอานานเอาการเอาตูนไหมายหัวได้เ <Jazz> ลยเอาดืไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่น่าแน่ ส้างความดต้องมีอุปสรรคทา่ทานขวะท่านที่เป็นข้าราชการชืรยายท่นอาจจะรู้นะตะเกีดดี้อขึ้นมาโดนอุกขาลิขยาโดนอย่างโดนอย่างนี้ตลอดเลยกาเมื่อความดต้องมีอุปสรรคไอ้ความรั่วเนี่อมีใครมาคาดไมนมีอิไปสรรคไไหลไปคกคัรมดาเปนลามืนอเทวะเป็นเสือมันชอบไหลไปถู่คึกตัทัดิลกระทำนั้นนะจุดนี้มันไหลขึ้นเหนือดะครัน ที่กระทบอยู่ตามมาทัเนเจริญทุเดงเพราหมือนก็บเข า, นนาเด็ดวันเดดคืนอยู่บนฟ้าในป่าฝนตกเด็ดวันเดคืนมาเด็ดขันข้าวปลาขึ้นไปยอดเ ข, า, ขาเป็นแทวเพราปลานี่มันวิ่งขึ้นเหนือน้ำขึ้นมาบนภูเขาได้เขาจะปลาพราดเหว่งพอใหญ่ฉันบอกว่าเออปลามันต้องสวนขึ้นหน้าน้ำคนเราก็ต้องสนใจา ฝืนใจขึ้นภูเ ข, ขาถึงได้ฝืนใจแล้วถึงกับคนตะคนไหนฝืนใจไม่บ่าดต่อไปตามอารมณ์ตามใจคนแล้วเสียงหมดกลายเป็นคนขุดต่ำไม่มีใจสูงแต่พอตามได้ออกมายังมีพัดเจนมากขอเรียนขวายเมื่อเราก็ได้ธรรมะอีกช่้งเดกันเราไปดูตาในน้าที่ไหลน้ำไหลเชี่วยวยมันจะวิ่งขึ้นเห น, นือแม่บากรอบบากเขาใต้ปลา บางหินหน้าราบลงล่างน้ํามันวื่งขึ้นน้ําัื่งไหลแรงมันยิ่งยิ่งมากมากขันเดากระั้นน้ำข้ามความดีนี่ต้องฝืนใจมากถ้าเปล่าไปตามอารมณตามตัวตัวเองและรับรองท่านจะดีไม่ได้ต่อคนต่อดทนคบบัตรําคัญอดทนตางเจริญกรรมฐานความอดทนเป็นบัติขุนนาต่อสู้ความรู้น่ะเป็นบัติขุนนาปรากัความสามารถน่ะเป็นขบัติคุณนาปราบศึก ความมือระเบียบทุกชนิดถึงจะเป็นผู้บาดชมผู้ดีระบดูคุณหญิงคุณนายว่าเป็นผู้ดีเรื่องราดูที่ระเบียบดูที่ระบบทาํางานมันมีระบบขาดระเ บ, บียดไม่มีแผนผังไม่มีแผนงานไม่มีนโยบายถ้าไม่ทําอะไรไม่ถูกแบบผูกบทมันจะหมดจบเนาะเจอได้ประการใดนี่คนฆ่าผู้ดีคนฆ่าคู้ดีเขาดูที่ระบบคนบางคนไม่มีระเ บ, บียบเลยคนใหญ่คนโตก็ขาดระเ บ, บียดไม่เทียบอยู่ดีนัก ไหนเลยว่าท่านจะรู้ถึงรู้แท่งเห็นจริงเห็นแท้งเ บ, บนินเส่อด้วยการหนันงสือไม่มีตัวเรามาปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องการมาอ่านหนังสือมาเขีหนังสืออันหนังสือนี่หลายเรื่องเตือนท่านมีปัญหาเกิดเครื่องเล่มไหนมันแก้ปัญหาเกิท่านไดน้มีมากมายเราต้องการจะสร้างสร้างสร้างความดีเพื่อแก้ปัญหา หมาปลุกหกทุ่มตีตาตาอย่าลงอย่าเดินตาเดียวต้องหลงเดินดูหลายตาที่อย่าไปแพ้แพ่แพเรือแพ้มาถ้าถิ่นประจามดาว้าวคนหรือเบิ้ลอยู่ตาเดียววันไหนก็เดินอยู่ตาเดียวดอเท่านี้เดินดูแค่นี่ไม่ได้เนี่ยคงจะเพลิดเพลินดูได้เลยเพราบรรทุม ค, ความสบายนอนสบายคืนสบายถ้าะมันเอางานโอการเขาไม่ชาว่าเขากําลังชั่วเลยไมนมีใคว่า มันมีแค่ข่าวคอถ้าดีโดนเห็นัาติขึ้นมาตานผู้พรมชื่อหยาผู้บังคับบัญชาล้องําดีขึ้นมาคูกโดนขัดคอโดนโดนโดนแน่แน่ดีอย่าให้โดนพระทงไทยแต่ของพระพุทธเจ้าของเราดีจะต้องให้ดีจะได้เห็นไกลจะได้เขารู้มั้งว่าเรดีอย่างไรกระช้าความดีอย่างไรขอความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาประสถาพรจงนี้แต่ท่านพระเถรามีเถระปิถุมอวกะ แต่คำมโนนด้โยมอุบาสกโยมวาจิกาและพุปัสสาวะชนุสเดชุณากรรมทรงเจริญรื่งเรืองวัต